ต่อไปก็สนทนาธรรมเติมสติเติมปัญญาทางธรรมเข้าไปเติมความรู้เข้าไปาเริ่มบันทึกกันแล้วใช่ไหมนี่ ถึงแล้วก็ถามจะมาดูแต่หน้ากันอย่างนี้ไม่ไหวต้องถามทางทัุดเรื่องที่พระอาจารย์เล่าเมื่อวานนะคะที่ว่าเทวดาลงมาถามว่าอเรื่องเทวดามาถามปัญหานั้นไม่อยากจะพูดมากเท่าไหร่มัน มันเป็นเรื่องเรื่องที่ไม่ค่อยอยากจะเผยแพร่ออกไปมากมันอยู่นอกเหนือนอกเหนือความเข้าใจของคนมากเป็นเรื่องที่เข้าใจเฉพาะกลุ่มคนเทวดามาถามปัญหาแต่จะบอกว่านอกเหนือก็ไม่ใช่ทั้งพุทธการก็มีมีเทวดาไปถามปัญหาพระพุทธเจ้าถามปัญหาพระ อ, อริยเจ้าแม้แต่ไปถามมนุษย์ก็ถาม ตามปัญหาแต่ใครจะตอบได้ไม่ได้อะไรอย่าง <c oughs> เล่าให้ฟังเฉพาะในกลุ่มที่ที่เขียนลงไปนั่นเพื่ อ, อเป็นเครื่องอนุโมทนากับบุคคลผู้ได้ให้ทานเ <c oughs> พราะเห็นคุณค่าของการให้และความจริงก็เป็นอย่างนั้นนั่นคือสัจจะอย่างหนึ่งของโลกโลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้ถ้า ถ้าไม่มีการให้โลกนี้ตั้งอยู่ไม่ได้ศาสนาก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีการให้ให้การให้เนี่ยภาษาเรียกว่าทานภาษามาคดแปลว่าทานดานะมาคดอีกกินก็ไม่ใช่ทานหรอกทานเนีแปลว่าเราใช้อยู่ดานะแปลว่าให้การให้ดานะดินนังเดติย่อมให้ดินนั ง, นนงทานที่ได้ให้ดานังดานะ ใหภาษาไทยทานแปลภาษาไทยจากคำว่าทานนี้มาเป็นภาษาที่เราเข้าใจคือการให้แบ่งปันให้แบ่งของของตนให้เป็นประโยชน์แก่คนอื่นคือการให้หากไม่มีการให้ไม่มีทานโลกนี้ตั้งอยู่ไม่ได้หากไม่มีดวงอาทิตย์ให้แสงสว่างกับโลกมนุษย์ตั้งอยู่ได้ไหมไม่ได้ หากไม่มีผืนแผ่นดินให้เป็นที่ก่อเกิดกับต้นไม้โลกนี้ตั้งอยู่ได้ไหมไม่ไม่ไม่ได้ถูกแผดเผาไปด้วยความร้อนไม่มีล่มเงาหากอากาศไม่ให้มนุษย์หายใจธรรมชาติเขายังมีการให้นะหากแม่ไม่ให้นมลูกกิน อยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้หากลูกผู้เกิดมาแล้วไม่มีใครให้การถนอมเลี้ยงอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้มนุษย์ก็ต้องถึงความสูญสิ้นเผ่าพันธ์การให้จึงเป็นรลกฐานแห่งชีวิตที่ยิ่งใหญ่และก็เป็นรลกฐานของโลกนี้มั น, มนโลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้มางคนไม่เข้าใจเรื่องของการให้ว่ามันจะมีประโยชน์อะไรยังไงกระวการให้มีสาคัญมากเลยนะ พุทเจ้ายังบอกว่าภิกษุจะต้องทิ้งทานไม่ได้แม้เป็นภิสูุเองแล้วก็ตามก็ทิ้งทานไม่ได้ทิ้งการให้ไม่ได้ไม่มีวัตถุที่จะให้เธอพึงให้ทำให้การสั่งสอนให้การชี้นำชี้แนะในสิ่งที่ถูกทิศที่ ท, ท, ที่ควรจะแนะนำเขาอันนี้การให้พิกูุยังทิ้งทานไม่ได้ไนะแม้พิสูจไปบินอบาตมาได้มาได้มาแล้วตั้งอาหารบินอบาตไว แล้วแจ้งต่อหมู่ภิสูุทั้งหลายว่าใครปรารถนาอาหารบิธาบาศในบาทของข้าพเจ้าภิสูุรูปนั้นจงมาหยิบไปเถิดมารับไปเถิดก็ยังชื่อว่าดำรงดำรงการให้ทานไว้ได้อย่างดีและเป็นการบำเพ็ญศาลานีายทำอย่างหนึ่งการให้ เพราะฉะนั้นเรื่องราวของการให้นี้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่กับทุกชีวิตมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ชีวิตจะตั้งอยู่ได้โดยปราศจากการให้หรือปราศจากการได้รับเราได้รับสิ่งต่างๆจากธรรมชาติที่ขอมอบให้เราแต่ธรรมชาติที่ขอมอบให้เราเป็นการให้ให้แล้วให้เลยธรรมชาติไม่ได้หวังอะไรคืนจากมนุษย์เป็นสิ่งที่ธรรมชาติมอบให้มอบให้ไปแล้วในโลกนี้ มนุษย์เกิดขึ้นมาแล้วพึงสำเหนียบตรงนี้ว่าพอเราได้รับสิ่งต่างๆที่ธรรมชาติให้มาได้รับนมจากมารดาได้รับการห่อน้อมเลี้ยงจากมารดาได้รับการอุปธรรมค่ำชูจากญาติที่น้องผู้หลักผู้ใหญ่ปู่ย่าตายายได้รับสิ่งต่างๆที่เขาได้ให้มาไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามที่เขาได้ให้ เมื่อราลึกถึงสิ่งนี้แล้วพึงเป็นผู้ให้ตนเองก็จาต้องทําตัวเป็นผู้ให้ถ้าไม่ทําตัวเองเป็นผู้ให้ตัวเองก็ตั้งอยู่ในโลกนี้ไม่ได้เพราะตนเองไม่ได้เป็นผู้ตั้งอยู่ในการให้เพราะโลก น, นี้มันตั้งอยู่ได้ด้วยการให้ให้การให้จะให้จะให้อะไรก็ตามแม้แต่ให้สีที่ไม่ดียังพอใจสําหรับคนที่ไม่ดีเลยใช่ไหมละ่ะยังน่าพอใจเพราะยังดํารงอยู่ได้เลยใช่ไหมละ่ะ มันมันก็ยังไปได้แต่ถ้าไม่ให้มันก็อยู่ไม่ได้พระภิกษุเนี่ยถ้าไม่รับปัจจัยกสีจากชาวบ้านอยู่ได้ไหมล่ะไม่ได้ปัจจัยกสีนี้สําคัญมากต่อพระภิกษุสําคัญอย่างยิ่งแล้วโดยเฉพาะผู้ที่มีความเห็นความสําคัญในปัจจัยกสีแล้วบุ่งจะตั้งจิตศรัทธาเลื่อมใสแสวงหาปัจจัยกสีมาเพื่อดูแลภิกษุสงฆ์ อันนี้เป็นผู้ที่มีเห็นความสําคัญอีกอย่างมากที่จะเห็นความสําคัญได้อย่างนั้นก็อบอกเอ๊ะไมเห็นความสําคัญยังไงก็เห็นของสังฆทานเต็มวัดเต็มวากันอยู่ว่ะก็เต็มอยู่นี่ไหมละ่ะของสังฆทานภาพไม่ได้ปวดอยากหรอกมีแต่เหลือกินเหลือใช้เขาอ่ะอันนั้นก็เป็นภาพฉากหน้าที่เราเห็นกันใช่ไหมละ่ะฉ า, ากหน้าภาพหิวทั้งสังฆทานไปถวายพระนั้น พระอยู่ได้ด้วยสังฆทานหรือว่าปัจเจ s ีก็จริงแต่ไม่ใช่ทั้งหมดไม่ใช่ทั้งหมดแต่ยอมรับว่าปัจเจสีนั่นคือสิ่งที่มีความสำคัญเพราะพระพิสูจนไม่สามารถแสวงหามาได้ด้วยการงานและอาชีพในว่ากรณีใดเพนักบวชไม่สามารถสร้างการงานและอาชีพ ของตนเพื่อแลกเปลี่ยนซับเอารั์มาเลี้ยงชีพตนเองอันนั้นไม่ได้มีแต่การงานที่ปาสจารโทษการงานที่ปาสจารโทษคืออะไรอุ่มบาทเดินไปตามถนนหนทางคนเห็นพอใจให้ก็รับคนที่ไม่พอใจให้ก็ผ่านไปนี่คือการงานที่ชอบสาหรับนักบวชการงานที่ไม่มีโทษไม่เอ่ยปากขอใครการเอ่ยปากขอถือว่ามีโทษอยู่ ก็ทําได้แค่นี้ในขอเพียของพระทําทได้แค่นี้ถ้าในเฉพาะตัวภิกษุทําได้แค่นี้ก็ถือว่าเพียงพอแล้วนะเพราะไม่มีใครอดอย่างจากการที่อุ้มบาตรเดินไปแล้วไม่มีอาหารกิน ไ, นไม่มีหรืออดตายเพราะไม่มีอาหารกินโดยการอุ้มบาตรไปแล้วได้ได้อะไร ไม่ได้อาหารเลยเป็นมันไม่มีที่ไหนเขาก็อยากจะใส่บาตรกันั้นใส่น้อยใส่มากเขาก็ใส่ถ้าก็ยังดนำรมชีพไปได้บําเพ็ญสมณธรรมไปได้ที่อยู่อาศัยก็หา พ, พักพิมตามต้นไม้ตามโคนไม้ตามถ้ำก็ยังพอได้นอกจากอยูจ่จําพรรษาจะต้องมีกุฏิเป็นที่เป็นทางอันนั้นก็อีกกรณีหนึ่งก็บําเพ็ญสมณธรรมจนถึงโสดาบันสกาาัทาคามียนาะคามียอาหารหันได้ แต่ทีนี้มันมีคำว่าแต่เมื่อพิสูจทําอาชวัสิ้นในตนแล้วมันมันเป็นเสร็จประโยชน์ตนไงเหลือประโยชน์อย่างผู้อื่นผู้อื่นที่เขาหวังจะเข้ามาสู่สาศาสนาเนี่ยพิสูจนนี้จะต้องรับทูตแล้วทีนี้เพื่อที่จะดูแลผู้ที่มาสุดท้ายภายหลังจะปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมเหมือนตนเองก็ไม่ได้เพราะอะไรอัธยาศัยของบุคคล แตกต่างกันเหมือนกับพระเดชเจ้าเนี่ยอ่ะการที่พระองค์ทรงเที่ยวสอนสาวกทั้งหลายในที่ต่างๆมีผู้บรรลุธรรมก็ตั้งมากมายเยอะแยะทำไมต้องอนุญาตให้มีการสร้างอารามอย่างเงี้ยสร้างที่อยู่อาศัยทําไมต้องต้องมีอย่างนั้นก็ทั้งๆที่พระองค์ก็ไม่ได้มีอารามใช่ไหมหลักก็อยู่แค่โคนต้นไม้แล้วก็สั่งสอนที่สู่ให้อาศัยโคนต้นไม้หรือยินดีในโคนต้นไม้ก็ไม่ได้สร้างกุฏิวิหารใหญ่โตอะไรมากมายแต่เนื่องเล่าว่า ภิกษุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้ น, น, นการดูด้วยด้วยกันมากขึ้นย่อมเกิดภาวะความเป็นอยู่ในแต่ละบุคคลที่มาจากต่างสกุลมาจากต่างฐานะมาต่างต่างจากโคตจากชาติการเกิดการกําเนิดมาจากต่างแต่ละที่การที่จะให้ภิกษุ พอใจหรือมีอัธยาศัยในการอยู่ป่าเหมือนกับพุทธองค์คงไม่ได้เพราะพิสูจบางรูปผู้มีไฟแห่งอริมยมรรคญาณอยู่ภายในภายในจิตแต่ไม่พอใจหรือไม่มีอัธยาศัยที่จะอยู่ป่าก็มีอาศัยอ ย, อยู่อยู่ในบ้านอย่างเงี้ยพวกก็เล็งเห็นอ๋อผู้ผู้ที่มีอัธยาศัยยินดีในป่าก็มีอัธยาศัยยินดีในบ้านก็มี เราจะไม่ทําให้ภิกษุนั้นเป็นผู้ไร้ผลในทําที่เขาควรจะบรรลุถึงก็อนุญาตให้มีการสร้างอารามมีมีวัดมีวามีภิกษุที่เป็นอรหันต์ที่อาศัยอยู่ในบ้านก็มีจะได้คอยคอยแนะนําสั่งสอนชาวบ้านภิกษุที่มีอาทยาสายอยู่ในป่าเขาเรียกว่าภาคป่าภาคป่าเรียกว่ารัญวาสีก็จะเป็นที่พึ่งสําหรับภิกษุผู้มีอาทยาศัยชอบป่าภิกษุที่ มีภรรยาสายชอบการอยู่บ้านก็จะเป็นที่พึ่งให้กับพิสูผูู่มีภรรยาศัยที่ชอบอยู่บ้านนี่แนหะคือการที่พวงทรงรทราบภรยาศัยของพิสูก็เลยอนุญาตอารามอนุญาตให้พิสอยู่ป่าพิสูดจึงแบ่งเป็น2 ส, สายสายป่ากับสายบ้านทีนี้ความสืบต่อของสงหรือว่าสังคมสงสังฆเนี่ยสังฆหรือว่าสังคมส ง, ส, งสังคม สภาพความเป็นอยู่แปลว่ากลุ่มอะสงแปลว่ากลุ่มหมู่เรียกว่าสังคมก็คือกลุ่มชนใช่ไหมละ่ะกลุ่มชนเป็นกลุ่มเป็นหมู่ตั้งเริ่มตั้งแต่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดใช่ไหมละ่ะนี่คือสังคมถ้าสังคมโลกก็คือประชาคมโลกอาเซียนก็อีกสังคมห น, นึ่งนี่แหะยุโรปก็อีกสังคมนึงอะไรเพเนี่ยคือทั้งหมดเนี่ยสังคมสงก็คือสังข์้ ใช่ไมสังคมสังฆสืบต่อมาสังคมสงฆ์สืบต่อมาสืบต่อมาสายบ้านก็แยกนะแยกอีกสายป่าก็แยกอีกทีกเนี้ยป่าแบบไหนบ้านแบบไหนบ้านแบบประกอบพิธีกรรมอย่างเงี้ยบ้านแบบปฏิบัติภาวนาถือวัดกิจวัตรที่ถูกต้องสายบ้านแบบเกจีอาจารย์ใช่ล่ะสายบ้านแบบ เส้นสว i บูชาเจ้าพิธีสายบ้านแบบลงยันตะกุดของขังมันมันมันบ้านมันบ้านหลายบ้านสายป่ามีอีีนี่ป่าแบบผู้ดมขวัดปาแบบ่ า, า, ปาแบบหาอะไรสายป่าแบบหาอะไรหาอะไรที่ลึกลับในป่าออกมาให้คนสแสวงหาอะไรพวกนี้ให้คนบูชาให้คนได้ส ก, การะให้คนได้กล่าวไหวอะไรที่มันพิสดารพิสดารหน่อยนะป่าประเภทเนี้ยพวก สายป่าแบบหาไปหาอยู่ในป่าลึกๆมีป่าแบบนั้นอ่ะไม่ได้ยึดถือทุดงควัตครอบปฏิบัติสายป่าแบบอธิษฐานจิตโอ้มันก็เยอะเหมือนกันป่าหลายป่ารูปป่าแบบไหนอารันยาวาสีกับคามอาวาสีก็เลยเป็นอย่างเงี้ยบ้านกับป่าที่แยกกันมันไม่มันไม่ได้เป็นไปตามพุทธประสงค์ที่พระองค์ทรง วางไว้ตามอัธยาศัยของของของบุคคลผู้หวังประพฤติธรรมโปรวางไว้ว่าภิกษุอรหันต์อยู่บ้านก็จะเป็นที่พึ่งกับภิกษุผู้เข้ามาบวชโดยมีอัธยาศัยอยู่บ้านจะได้อบรมสั่งสอนเขาให้พ้นจากความทุกข์ได้ภิกษุที่มีอัธยาศัยอยู่ป่าก็จะได้เป็นที่พึ่งกับภิกษุผู้พอใจที่จะอยู่ป่าจะเป็นที่พึ่งพาาอาศัยเพื่อการประพฤติปฏิบัติตนได้ ทั้งหมดจะเป็นไปได้นะมันจะเป็นไปได้ก็ต่อเมื่อได้อาศัยปัจเจ sĩ จากชาวบ้านชาวบ้านจึงได้เป็นทายกแปลว่าผู้ให้ภิกษุจึงอยู่ในส่วนของปฏิฆาหกแปลว่าผู้รับแต่ไม่ใช่รับอย่างเดียวภิกษุผู้เป็นปฏิฆาหกก็ให้อยู่เหมือนกันให้อะไรผู้ย่อบอกให้ให้ธรรมะใช่ไหมให้คําสอนใช่ไหมแต่คือวันนี้พระที่เป็นปฏิฆาหกให้อะไรให้ของขังวัตถุปูกเสกให้พร <c oughs> คือไปทําบุญแล้วก็ต้องขอพร น, นะครับพระให้พรแล้วก็ดีใจนะถ้าพระองค์ไหนไม่ให้พรไม่ดีใจ <c oughs> เอแปลกนะชาวบ้านนะพระไม่ให้พรไม่ดีใจแต่ตนเองทําบุญไปแล้วก็ไม่ดีใจถ้าพระไม่ให้พร <c oughs> ไปดีใจตอนที่พระให้พร <c oughs> ยังไงคะแ น, น่คนอยากจะได้บุญหรืออยากได้พร <c oughs> ได้พรแล้วรสึกว่าได้ ได้พรจึงจะรู้สึกว่าได้บุญอ๋อมีการถามเข้ามาว่าโยมนังนอนกาบเรียนครับท่านอาจารย์อยากทราบคำว่าโลกกระทําอันนี้กระทำอะไ ร, รนะเนี่ยกระทาไม่กระทาไม่ใช่โลกกระทานะโลกกระทาแปด โลกกระทำแปดเขใช้ศัพท์นี่นี่มันมันผิดมั่งาใช้คำว่าโลกรโลกระทาโลกะัธรรมะคือทอทอรอรมมอมโลกกระทำแปดคาว่าโลกกระทําปดคืออะไรเป็นยังไงจะประมาณนั้นนะอยากจะทราบว่าโลกกระทํา8ดเป็นยังไง หากจะพูดในแบบก็คือแปดอย่างคือหนึ่งได้ลาบสองเสื่อมลาบสามได้ยศสี 4, เสื่อมยศห้าได้สุขหกเสื่อมสุขเจ็ดนินทาได้นินทาได้สรรเสริญแปด เจ็ดได้นินทาแปดได้สารเสือแต่นินทาไม่อยากจะได้่ะไหมสารเสือญนี่อยากได้นะไหมได้ยศอยากได้นะไหมได้การเสื่อมยศไม่อยากจะได้นะแต่มันคือการได้พอถึงขั้วเสื่อมก็คือได้ได้อันเสื่อมแล้วได้เข้าถึงความสุขคือได้ความเสื่อมมาแต่ไม่อยากจะได้นะแต่ตอนได้ยศเนี่ยได้ยศนี่อยากได้แล้วได้มาก็ยิ่งอยากจะได้ยิ่งพอใจ แต่พอได้ความเสื่อมยศไม่อยากได้เอาไม่อยากได้ยังไงมันได้มาแล้วอ่ะได้ได้ได้ได้ยศได้ได้ความเสื่อมยศได้ลาบได้ความเสื่อมลาบไอความเสื่อมลาบไม่อยากได้ได้ซุขได้ความเสื่อมจากสุขคือได้ทุกข์อ่ะไม่อยากจะได้ได้อะไร ได้ได้นินทาได้สรรเสริญได้นินทานินทาไม่อยากจะได้โลกธรรมแปดก็มีอย่างนี้เนี่ยนะเป็นคู่สี่ยางแต่เป็นคู่ได้ล่าเสื่อมล่าได้ยศเสื่อมยศได้สุขเสื่อมสุขได้นินทาได้สรรเสริญได้นินทางเนี่ยมันก็แปดครบเนี่ยนี่ก็โลกธรรม เข า, าโลกกระทำหมายถึงว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แล้วต้องเจออย่างนี้เมื่อเป็นสิ่งที่เราต้องเจอและต้องเป็นอย่างนี้เราจะไปบอกว่าเราไม่อยากจะเป็นไม่อยากจะได้ได้ไหมอย่าเอาใจไปติดไว้ในข้างใดข้างหนึ่งของโลกนั้นคือการเอาใจไปติดไว้ในข้างใดของข้างหนึง่งของโลกคือเราต้องได้ลาบต้องได้ยศต้องได้สุขต้องได้สารเสริญไอสิ่งที่ตรงข้ามเราไม่อยากจะได้เขาเรียกว่าเอาใจไปติดไว้ในโลกข้างใดข้างหนึ่งเข้าใจไหม เมื่อเอาใจไปติดไว้ในโลกข้างใดข้างหนึ่งมันเกิดอะไรตรงมันเป็นความตรงเนี้ยอันนี้คือความโตรงอย่างหนึง่งเป็นการสูดตรงจําไว้เลยว่าคนที่อยากจะพบความสุขที่แท้จริงหรือพบสัจธรรมในชีวิตที่แท้จริงต้องเข้าใจได้ว่าเมื่อได้ราบมาต้องตเตรียมใจไว้เลยว่าต้องเสื่อมราบเมื่อได้ยศมาเตรียมใจไว้เลยว่าต้องเสื่อมยศเมื่อได้ สุขมาต้องเตรียมใจเลยว่าต้องเสื่อมสุเสื่อมจากสุขแน่เตรียมใจไว้เลยไม่อยากไม่อยากจะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อได้นินทาเออเมื่อได้สารเสรื่อมมาเตรียมใจไว้เลยว่าต้องได้รับการนินทาเพราะฉะนั้นมีคนนินทานเปนนเ็นเรื่องผิดปกติไหมมันเป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องผิดปกติโลกเขาเป็นอย่างนี้แหละเขาก็นินทากันอย่างนี้แหละคนนินทาตามากัเยอะเป็นเรื่องปกติ ถามว่าคนนินทาแล้วเป็นยังไงก็ไม่ได้เป็นยังไงต้องกลับไปถามคนที่นินทาว่าเขาเป็นยังไงเขาถึงนินทาเพราะอาตมาก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องของโลกนะแค่นั้นได้สุขมาแล้วเสื่อมสุกก็ยอมเสื่อมเพราะอะไรก็เป็นเรื่องของโลกไม่ใช่เรื่องของอาตมาสุกมันก็ปเป็นเรื่องของโลกทุกก็เป็นเรื่องของโลกได้ลาบมาละ่ะก็ต้องยอมเสื่อมลาบพอทําไม่ได้มามันจะเสื่อมไปได้ยังไง หากไม่อยากจะให้ลาบเสื่อมก็ไม่ต้องเอาลาบมาหรือไม่สแสวงหาลาบเมื่อไม่สแสวงหาลาบคือไม่ได้อะไรมาก็ไม่มีอะไรเสื่อมแต่เราไปแสวงหามานี่มันก็ต้องเสื่อมเป็นธรรมาดามีลถก็ต้องซ่อมสอมไปอสมสมชื่อนได้ลถมาแล้วมันไม่เคยเพิ่มขึ้นเลยล <laughs> กระเป๋าเงินในกระเป๋ารถไปหมดเลยนะ โลกกระทำก็คือโลกกระทำเราต้องพอใจโลกกระทำเราจะไปห้ามไม่ให้มีไม่ให้โลกกระทำเกิดกับชีวิตเราไม่ได้มันต้องเกิดแล้วคนที่อาศัยชีวิตอยู่ในโลกนี้จะต้องเจอโลกธระทำนี้ทั้งแปดนี้แน่นอนยืนยันอาตมาก็ยังเจอเจออยู่เจอแล้วทํำยังไงไม่ต้องทํำยังไงเป็นเรื่องของโลก ปล่อยให้โลกเป็นเรื on, it it ่องของโลกไปอย่างนั้นอย่าเอาเรื่องของโลกมาเป็นเรื่องของตนเองถ้าเอาเรื่องของโลกมาเป็นเรื่องของตนเองก็เท่ากับแบกโลกทั้งโลกไว้ในใจไม่อยากจะเสื่อมไม่อยากจะพากไม่อยากจะหมดไม่อยากจะให้มันหายออกไปจากใจออกจากชีวิตอยากจะมีสุขอยู่อย่างนั้นอยากจะได้ลาบอยู่อย่างนั้นอยากจะได้ยอดอยู่อย่างนั้นอยากจะได้รับการสรรเสริญอยู่อย่างนั้นผู้ใจเปล่าเปอย่าเอาติดเอาเอาใจไปติดไว้ในข้างใดข้างหนึ่งก็บอกว่างั้นถ้าไม่อยากจะได้ได้ลาบ ก็ต้องเห็นว่าเราก็ไม่ต้องตั้งหน้าตั้งตาหาอะไรเลยเหรืออย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ก็หามานั้นแหละแต่ต้องเข้าใจว่ามันต้องเสื่อมเหมือนกับลมหายใจรอ น, นั่นแหละหายใจเข้าแล้วก็ต้องปล่อยออกก็คือความเสื่อมลมหายใจออ ก, กคือลมหายใจที่มันหมดหมดหมดประโยชน์แต่อันที่หมดประโยชน์ถ้าไม่เอาออกก็ตาย ก็ต้องออกออกยอมออกออกไม่งั้นจะอยู่ไม่ได้การที่เรามีลมหายใจใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วออกไปเนี่ยมันทาให้เราชีวิตอยู่ได้การที่เราได้สินใดมาแล้วมันเสื่อมออกไปเนี่ยเราถ้าเราเข้าใจเราจะสามารถอยู่ได้จะมีชีวิตอยู่ได้แบบปกติไม่แต่บาดวิตกกับอะไรกับสิ่งที่ได้มาแล้วหมดไปได้มาแล้วหมดไปได้มาแล้วหมดไปได้มาแล้วเสือมไปอาหารที่กินเมื่อเช้านี้เดี๋ยวมันก็หมดแล้วตอนเที่ยงหิวอีกแล้วอาหารที่กินตอนเที่ยง เดี๋ยวก็หมดตอนเย็นไปหากินอีกแล้วไอ้ตอนเย็นกินไปแล้วหมดเดี๋ยวตอนเช้าก็ต้องมากินอีกนั่นแหละวนเวียนอยู่อย่างนี้คือความเป็นไปของชีวิตต้องเป็นอย่างนี้มองลึกให้เข้าไปยีดก็คือเกิดและกระดับเกิดและกระดับเสื่อมเกิดขึ้นดับไปการได้ลาบเกิดขึ้นคือความเจริญเกิดขึ้นได้ลาบเกิดขึ้นก็ดับไปทุกอย่างตกอยู่ภายใต้การเกิดการดับผู้มีปัญญาเห็นธรรมชาติในข้อนี้แล้ว ไม่ปล่อยให้ตัวเองไม่ปล่อยให้ตัวเองติดอยู่ในข้างใด ข, ข้างหนึ่งของโลกปล่อยให้เรื่องของโลกเป็นเรื่องของโลกมีก็มีหมดก็หมดมาก็มาไปก็ไปได้ก็ได้เสียก็เสียนักเลงให้พอนะอยู่ในโลกนี้ต้องนักเลงให้พอจ จะมัวอ่อนแอลไม่อยากจะสูญเสียอันนั้นไม่อยากอยากจะได้แต่อันนี้ไม่ได้เนาะจิตใจอ่อนแอจิตใจถูกความทุกข์ทับถมแน่นอนพระพุทธเจ้าสอนให้ฉลาดต่อเรื่องของโลกคืออะไรน้ำขิงน้ำขิงขิงต้องต้มผสมกับขมิ้นขิงอันนี้ขิงขิงโยมแม่นั้นให้มาถวายมาอันนี้ขิงเราปุ๋มอ๋อขิงเลยมา ขออภัยนะฉันน้าขิงอุ่นๆเหมือ น, นอากาศเย็นไร้สดอธิบายทํา <c oughs> ก็น่าจะเข้าใจเรื่องของโลกการทำตามนี้นะโลกการทำทั้ง8ไม่มีอะไรซับซ้อนหรอกไอ้ที่ซับซ้อน ค, อคือความคิดของเราเองไปคิดให้มันซับซ้อนโลกการทำมันไม่ได้ซับซ้อนมันตรงไปตรงมา โลกนี้ตั้งอยู่ได้ด้วยการให้ทานนี่คือความจริงนี่คือสัจจะเมื่อไม่มีการให้ทานแล้วกุศลธรรมอย่างอื่นไม่เกิดศีลไม่เกิดสมาธิไม่เกิดปัญญาไม่เกิดแน่นอนบางคนบอกว่าเอาศีลแล้วทิ้งทานหมดมันข้ามทานไปแล้วไม่ต้องมายุ่งกับทานผู้เจ้าป็นเคยสอนนะฮะเรื่องนี้ <c oughs> ผู้เจ้ายังบอกให้ให้ให้รู้จักให้ทาน แต่ไม่ใช่หน้าที่อย่างเช่นหน้าที่ของภิกษุเป็นผู้ตั้งอยู่ในศีลไม่ใชเ่เป็นผู้ขนขวายคือจะไปเป็นผู้ขนขวายสร้างสร้างฐานแบบชาวบ้านนั้ไม่ได้หมายถึงว่าไปเปิดการรับบริจาคอะไรได้ได้อะไรไ ด, ได้อะไรมาได้ได้ ไ, ไ ด, ไ ด, ได้ปัดใจมานะแล้ว เขาเรียกว่าไปขนขวายการให้ซึ่งเป็นหน้าที่ของทายกคือชาวบ้านขนขวายการให้ไปให้ด้วยตนเองทําหน้าที่เป็นผู้ให้คือให้ในความหมายของพระเจ้าในฐานะของบัตรพระชิตคือให้อันเนี้ยคำคำเทศนาคำกล่าวคำสอนคำชี้แนะให้ทางปัญญา ให้ข้อทำา้อคิดคติทำนำไปสู่การพบคิดอันนี้นคือการให้ของพระภิสูจน์สมณะคือให้ให้อย่างนี้เพราะว่าพระไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆและไม่สามารถที่จะครอบครองทรัพย์สมบัติใดๆและไม่มีทรัพย์สมบัติใดๆเป็นของตนสิ่งที่จะให้หรือตอบแทนชาวบ้านผู้ให้ปัจจัยสีได้ คือการแสดงธรรมและการแสดงธรรมนี้นี่เองก็ได้ชื่อว่าพิสูจได้ให้ในสิ่งที่เลิศ ก, กว่าการให้ทั้งปวงใช่ไหมหลักสัพพะธรรมังธรรมะดานังชินาติสัพพะแปลว่าทั้งปวงสัพพะดานังธรรมะดานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชื่อว่า ชนะการให้ทั้งปวงเห็นว่าอย่างนั้นภาคพอบรญญัติก่อไว้อย่างนั้นพุทธจ้าจึงสารเสริญการให้ไว้มากแม้แตถาคตมาเป็นสัมมาสัมพุทธะในคราวครั้งนี้ได้ก็เพราะการให้ทางในคราวในคราวบอมเพนที่ผ่านมาแต่อดีตการพวงจะโยงไปถึงอดีตที่พวงเคยทํามาทั้งนั้น แ ล, แล้วแต่เป็นปัจจัยส่งผลคนที่ไม่มีสิ่งของใดๆจะให้กับคนอื่นสามารถให้อะไรได้บ้างให้ความคิดที่ดีกับคนอื่นได้ให้คำปรึกษาที่ดีกับคนอื่นได้ให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์กับคนอื่นก็ได้ให้คำพูดที่ไพเราะกับคนอื่นก็ได้ให้รอยยิ้มกับคนอื่นก็ได้ให้อะไรอีก ให้ความช่วยเหลือด้วยแรงกายกับคนอื่นก็ได้ตั้งจิตอาสาคอยที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอก็เป็นการให้ออออคำว่าทานจะไปคิดแต่ว่าวัตถูกข้าวของเงินทองก็ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีความจาเป็นจำเป็นในวิสัยที่มันจำเป็น ขณะแห่งความจำเป็นก็คือจำเป็นจริงๆพอเสร็จสิ้นจากประโยชน์ในทรัพย์อันนั้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ไม่ได้มีความจำเป็นอยู่ตลอดการทรัพย์นั้นเป็นบางคราวเช่นจะทำกุฏิหนึ่งหลังขึ้นมาแน่นอนว่ากุฏิมันมาตามความคิดความนึกไม่ได้หรอกต้องอาศัยทรัพย์อาศัยการวัต ถ, ถุที่จะเอามาทำกุฏิวัสดุต่างๆ ก็ต้องไปซื้อมาก็นําซัพไปอาศัยแรงกายของช่างผู้มีความรู้ในการสร้างก็ต้องจ้างเขาทําทําเสร็จแล้วอะไรก็แล้วนะแล้วแล้วก็ลวนะลวลวกผลบุญก็ปรากฏพอผลผลบุญเกิดปรากฏเกิดปรากฏนี้คือไม่ใช่เกิดปรากฏขณะขณะที่ทํานะเกิดปรากฏทุกๆุกขณะในจิตที่สําเร็จเป็นบุติที่เราถวายไปแล้วตนะั้งเจตนาถวายไปแล้วเกิดปรากฏในจิตทุกๆุกขณะแห่งจิต จนไปจนกุฏินั้นจะพังทลายสลายไปแต่การให้หนั้นสิ้นสุดเมื่อกุฏินั้นสำเร็จการให้หนั้นสิ้นสุดตนนั้นความจำเป็นด้วยซั์ก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ในทุกคราวเพราะนั้นในคราวใดที่ควรต้องใช้ซั์คราวนั้นก็คือมีความจำเป็นแต่เมื่อทำเสร็จแล้วได้ให้เสร็จแล้วบุญเกิดขึ้นอยู่ตลอดทุกๆขณะแห่งจิต24ี่ชั่วโมง ยีสิบสี่ชั่วโมงอันนี้คือพูดรวมหนึ่งวันแต่ถ้าพูดเป็นขนาดก็คือเข็มวินาทีกระดิกครั้งหนึ่งบุญก็เกิดแต่ไม่ใช่เกิดตอนที่เข็มกระดิกนะมันกระดิกไปครั้งหนึ่งแล้วบุญเกิดสืบเนื่องในจิตนี้ในในวิเขาเรียกอะไรวินาทีนั่นในวินาทีเขาเรียกอะไรอีกฮะเสียวเสียวเสียววินาทีลหรอทีที่ที่เขาใช้คําว่า ชั่วช้ามพับหูงูแลบดินอะไรไม่รู้เยแว๊บอย่างเงี้ยแหละเซียววเซียววิเกิดทุกทุกเซียววีไอ้เซียววิก็ยังยังช้าอยู่แล้วเกิดมากกว่านั้นมินิวิมิลลิวิห์ก็แล้วแต่ข้จะว่ากันมาตาก็คือมันเกิดซึมเรื่องในจิตอยู่ตลอดยิ่งถ้าใครโน้มจิตไประลึกถึงทานที่ตนได้ให้ไว้แล้ว เหมือนกับตนที่ได้ให้ไว้ตั้งแต่ครั้งแรกยิ่งโน้มไปโน้มไปก็ยิ่งจะเกิดผลบุญเคลื่อนอีกมากมายมหาศาลตามกระแสแห่งการละลึกบางคลบอกว่าท่านึกอย่างนี้จะเป็นการผูกพันในทานไหมเนี <Yeah. S 1> ่ยหากเป็นการผูกพันในทานเท่ากับว่ายึดติดในทานที่ตนได้ให้ไว้ไหมคําว่าผูกพันนั่นคือว่าผูกความหมายของพระยาคือว่าผูกพันในทานก็คือผูกยึดอยู่กับวัตถุอันที่ตนให้ แต่คําว่าในความหมายระลึกนั่นหมายถึงว่าระลึกถึงบุญอันที่ตนได้ให้ระลึกถึงผลแห่งบุญอันที่ตนได้ให้ไม่ใช่ไปนึกถึงตัวตัวทานไม่ใช่ไปนึกถึงตัววัตถุอันวัตถุได้ให้แล้วให้ไปเลยแต่ผลอันนั้นที่เคยเกิดขึ้นนั้นผลอันที่ได้ให้ไว้นะนึกถึงผลอันนั้นมากเข้ามากเข้ามากเข้าก็จะเพิม่มคูณขึ้นอีกเรื่อยๆเรืๆๆๆ่อยๆเรื่อยๆเนี่ยถท า, าเอางั้นก็ผูกพันในบุญสิ มันต้องผูกพันก่อนบุญนะถ้าถ้าจิตเราไม่ผูกพันในบุญจิตเราจะไปผูกพันอยู่กับบังต้องเอาบุญมาผูกไว้ก่อนผูกไว้ปฏิบัติเจริญพิปัสนาไปผูกไว้เจริญพิปัสนาไปอนุสติระลึกถึงทานอันที่ตนได้ให้ไว้แล้วอันที่น้าปราบเพื่มยินดีระลึกไว้บ่อยๆเสมอเสมอเสมอจนเกิดมาเป็นปีติรองรับจิตวิรลีกิจหากไม่มีปีติลองรับจิตไม่มีปีติวิรลีกิตก็ไม่เป็นไรก็เข้าไปถึงอุเบกขาความวางเฉยใน ในบุญแต่ก็ไม่ทิ้งการระลึกพอวางเฉยในบุญได้ปั๊บก็เจริญวิปัสสนารู้การเกิดการดับของบุญที่เป็นตัวสังขารนั้นมันก็มันก็ไปได้มันก็จะพ้นได้ไปสู่พิธีความบุพพ้นได้มันต้องผูกพันธุ์ไว้ก่อนแต่ไม่ได้ยึดติดนะนะเราไม่ได้ยึดติดในบุญมันติดไม่ได้อยู่แล้วแหละคือความเป็นจริงมันไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ติดกัน แต่ความไม่เข้าใจของจิตเนี่ยมันทําให้เราเกิดการติดการยึดอย่างที่อาตามาเคยบอกไปแล้วอะไรดับไปก็อันนั้นก็คือดับไปโดยไม่เหลือในตัวของมันดับคือดับสิ้นไปอันเกิดเพื่อเกิดใหม่ไม่ใช่อันที่ดับไปมาเกิดใหม่แต่เป็นธรรมชาติอันใหม่เกิดขึ้นแต่เป็นการเกิดขึ้นแบบอันเดิมมันก็เลยมันก็เหมือนกับว่าเอ า, อางี้ดอกไม้ดอกไม้อันนี้ เช่นดอกดาวเรืองดอกเราเห็นดอกดาวเลืองอยู่ที่นี่แล้วก็ออกจากนี่ไปไปเห็นดอกดาวเลืองอยู่อีกบ้านหลังนึงดอกดาวเลืองบ้านนั้นกับดอกดาวเลืองบ้านนี้เป็นดอกเดียวกันไหมมันก็คนละดอกแต่มันเหมือนกันเป็นดอกดาวเลืองเหมือนกันเราจะไปบอกเอ้ยไอ้ดอกดาวเลืองของเราอยู่ที่นู่นทำไมมาปรากฏอยู่นี่มันจะไม่ปักไม่ไปปรากฏที่ไหนมันเกิดไหมมันเป็นอันที่เขาปลูกใหม่เป็นของคนละต้นกัน ขณะแห่งจิตที่มันล่วงเลยไปแล้วคือดับไปแล้วอันที่เกิดใหม่แม้จะเหมือนกันกับอันขณะที่ล่วงไปอันที่ดับไปมันก็เป็นของใหม่ไม่ใช่ของเก่าไม่ใช่อันเก่าไม่ใช่อันเดิมจิตอันเก่าเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอเนี่ยอันใหม่เกิดขึ้นมาแทนไม่ใช่อันเดิมแต่เป็นอันใหม่เกิดขึ้นแต่มันเป็นคุณสมบัติจิตดวงเดิมนั้นเองพูดอย่างนี้พอเข้าใจหรือเปล่านี่งงไหม เพราะฉะนั้นตัวเราแม้แต่ขณะหนึ่งก็ไม่มีตัวเองที่มีอยู่อย่างตั้งอยู่อย่างอะไรคงที่ล่วงไปดับไปอยู่ทุกๆุกขนะไม่มีอันเก่าเลยมีแต่อันใหม่ทั้งนั้นจิตก็จิตลวงใหม่ทั้งนั้นแต่ทําไมเราถึงมีแต่เรื่องเก่าๆในจิตอ่ะอันนั้นความเห็นผิดใช่ไหมก็เหมือนกับ เ, เห็นดอกดาวเรืองตัวนี้ก็ไปเห็นดอกดาวเรืองตัวนั้นมีแต่ ดอกดาวเรืองอันนั้นอันนี้ที่มันอันไหนงงอันนี้คือเซอร์มนุษย์โลกก็เซอร์อย่างนี้แหละไม่เข้าใจไม่ชอบเข้าใจกายตัวเองตามความเป็นจริงเซอร์ไม่เข้าใจขนาดของกิจเหมือนกันก็เซอร์อย่างเงี้ยพรเซอร์อย่างนี้แหละพ็ไม่เจริญปัญญาตัวเองให้เกิดขึ้นเมื่อไม่เจริญปัญญาตัวเองให้เกิดขึ้นก็หลงยึดหลงจับหลงปูงแตง่งหลงยึดถือ หลงดินลนหลงยากหลงเดือดร้อนหลงสร้างพบสร้างชาติไว้ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาแล้วจะไปโทษอะไรกับใครเพราะเราหลงเองอดใครไม่ได้โทษโลกก็ไม่ได้โทษรัฐบาลก็ไม่ได้โทษกับอะไรประชาธิปไตยก็ไม่ได้โทษรัฐประหารก็ไม่ได้ โทษค่าเงินบาทแข็งก็ไม่ได้โทษธนาคารให้ดอกต่าก็ไม่ได้โทษของแพงก็ไม่ได้โทษน้ำมันไม่ยอมลงสักทีก็ไม่ได้อ่าแล้วเขาบอกแล้วจะให้ทำยังไง เ, เมื่ออยู่ในโลกนี้แล้วก็ต้องอยู่ไปซิมันตัวเองมาอยู่ในโลกทำไมล่ะ <c oughs> มาเกิดอยู่ในโลกนี้ทำไมถ้ามาเกิดอยู่ในโลกนี้แล้ว ก็ต้องยอมรับความเป็นอยู่ของโลกที่เป็นอย่างนี้ อ, นอันยอมรับนี่ยอมรับกันไม่ค่อยได้เขาบอกไม่ ain, ใช่มันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้ต้องสร้างระบบอย่างนั้นต้องสร้างระบบอย่างนี้ต้องมีโครงสร้างอย่างนั้นโครงสร้างอย่างนี้เนี่ยเขาไปปรุงแต่งไปหมดไอ้โครงสร้างที่คิดขึ้นมามั้นไม่รู้ว่าเคยเคยทําสำเร็จพาหรือ ย, อยังไม่รู้มีแต่จินตนาการพอทําออกมาแล้วผมไม่สามารถยอมรับหรือว่าควบคุมผลรั์ที่เกิดขึ้นได้ ผมเรจะตามมายังไรก็ควบคุมไม่ได้ต้าไรา่ส่วนมากมนุษย์จะเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าบอกว่าหากอยากจะโทษจริงๆหากหากอยากจะโทษนั้นคือติดนิสัยในการโทษนั่นโทษนี่นะโกบอกว่าหากอยากจะโทษจริงๆนะอย่าโทษตัวเองอย่าโทษคนอื่นอย่าโทษนั่นโทษนี่โทษดินฟ้าอากาศโทษอะไรสารพัอย่าไปโทษ หากอยากจะโทษนะให้โทษว่าตระสงสารการเวียนไหวตายเกิดที่เรายังหาข้อยุติกับมันไม่ได้ให้มาโทษตรงนี้โง้ว่านี่พุทธเจ้าทรงตัดเองนะครับจะโกรธหรือโมโหใครที่สุดหรือรังเกียจอะไรมากที่สุดอยากจะโทษเดี๋ยวไปโทษที่ตัวบุคคลให้โทษว่าเพราะเราไม่สามารถยุติการเวียนไหวตายเกิดนี้แหละจึงเป็นอย่างนี้ให้โทษอย่างนี้ใครโทษอย่างนี้ได้เท่าไหร่เท่านั้นยิ่งดีโทษว่าตระสงสารนะโทษมันไปเยอะ พระเจ้าบอกว่าชี้โทษมันเยอะๆชี้โทษของวัตตาสงสารมากๆจะได้ปัญญาแต่แต่ไปโทษอย่างอื่นน่ะหลงงมงง่ายนะโทษวัตตาสงสารมากๆมันจะได้ไประโยชน์อย่าได้ไม่ต้องมาเกิดบอเพราะมึงมาเกิดมึงก็เป็นอย่างนี้แหละมึงก็ต้องยอมรับอย่างนี้แหละนะบางคนก็บอกโอ๊ยระบบการศึกษาไทยมันห่วย ศาสนาพุทธมันมีแต่พุทธแต่ปากมีแต่พุทธแต่ในบัตรประชาชนพุทธแต่ในทะเบียนบ้านมันเป็นศาสนาพุทธที่ไหนศาสนามีแต่ศาสนาพูดเพราะว่าพูดกันไปเต็มบ้านเต็มเมืองมาพุดพูดพดพดพดมันพูดกันอย่างไงแต่พุทธแท้ไม่มีไม่เข้าถึงอันนี้ก็พูดว่าต่าสงสารนะมันหาสงสารอย่างนี้แหละอย่าไปโูดอะไรใครก็เลยมันเป็นอย่างนี้แหละว่าต่าสงสาร ถ้ายังอยู่ในโลกมันก็เป็นอย่างนี้แหละนะเป็นความมันอย่างนี้แหละแต่ต้องแยกให้ออกกับการที่จะชี้พ่อเท็ดข้อจริงว่าศาสนาพ้อเท็ดข้อจริงเป็นยังไงอันนั้นอีกเรื่องหนึ่งเน่ไม่ได้โทษได้หนอ่อยอั น, นั้นเป็นการอธิบายชี้แยกแยะให้เหตุพ่อเท็จพ่อจริงข้อถูกข้อผิดของศาสนาก็แล้วแต่จะว่ากันไป มีคนถามไห ม, มน้องถามเวลาที่เราให้ค่ะพอมีผู้รับเนี่ยเราต้องเราต้องรู้สึกยินดีเราจะรู้สึกยินดีมากที่มีคนรับของเราใช่ไหมคะใช่เพราะว่าเท่ากับเ ป, กเป็นการเปิดโอกาสให้เราได้ได้ให้ได้ให้ทางทีนี้นในส่วนถ้าเราเป็นผู้รับค่ะผู้รับก็ควรตั้งจิตยินดีในสิ่งที่คนอื่นนํามาให้แม้สิ่งที่เขานํามาให้นั้น ไม่เป็นที่ต้องการของเราก็ควรตั้งจิตยินดีโน้มจิตยินดีตั้งจิตพอใจโน้มจิตพอใจหากไม่ตั้งจิตยิน ด, ไนดีไม่ตั้งจิตพอใจปฏิเสธการให้ทานของคนอื่นหรือบอกว่าเกลงใจไม่ต้องเอามาแล้วนะเกลงใจอย่าเอามานะไปห้ามการให้ทานของคนอื่นพู้ทีเจ้าบอกว่าอันตรายมากมีโทษมากปิดกั้นการให้ทานของคนอื่นการปิดกั้นการให้ของคนอื่นชื่อว่าเป็นการขุดตนเองด้วย ขุดตนเองออกจากคุณงามความดีจักประสบบากไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยนนทห้ามการให้ทานของคนอื่นก็ผลแห่งกรรมนี้ก็จะเป็นห้ามการการให้ผลบุญแห่งความดีที่เราเคยให้ไว้ไม่ให้มาถึงเราโน่นไม่ใช่ธรรมดานีเพรา ะ, ะนั้นเขาให้สิ่งใดมาจะเกงใจกันแค่ไหนก็ตามไม่รับเล้เถอะนึกถึงข้อนี้ไม่ใช่ว่า กูอยากจะได้มานานแล้วมาเร็วๆอย่างเงี้ยไม่ใช่นะ อ, นอันอยากจะได้้าอีกเรื่องนึงแต่ต้องนึกถึงวา่ารับเพื่อเปิดโอกาสเขาได้ให้ทานกับเราอย่างเงี้ยบางคนลูกอยากจะซื้อของให้แม่แม่ก็บอกว่าลูกเอ้ยมันเปลืองเงินอย่าซื้อมาเลยแม่ไม่อยากจะได้รของพวเนี้ห้ามการให้ทานของลูกมีโทษลูกก็เลย ไม่ได้ทําบุญนะบางคนคิดไม่ถึงคิดไม่เข้าใจพระองค์ทราบปัญญาศัยจิตนะเจ้าอาศัยอาศัยญาติญาติยจิตมนุษย์เนี่ยพระองค์จึงบอกว่าอย่าปิดกั้นการให้ทานของคนอื่นถ้าปิดกั้นการให้ทานของคนอื่นนี้ไม่ไม่ไมด้แต่ก็ควรจะเลือกว่าอะไรควรรับอะไรไม่ควรรับไม่ใช่เข า, เายาบ้ามาให้ก็เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะปิดกั้นการให้ทานคนอื่นเอามาเนยเร็ว ให้เล่าให้อะไรมาดิอันนันที่เป็นผิดกฎหมายก็ไม่ได้ยิงกันนันอ่ะต้องรู้จักต้องรู้จักว่าควรรับไม่ควรรับด้วยนะไม่ใช่เขาให้อะไรมาก็จะเอาต้องต้องมองวัตถุที่เป็นประโยชน์กับวัตถุที่เป็นโทษ <c oughs> คนที่เสียสละทุนทรัพย์ในการทำอุปกรณ์อันนี้ขึ้นมาเพื่อให้มีการเผยแพร่ เทศนานี้ออกไปก็ได้เป็นผู้ให้การให้ทานให้เผยแผ่เผยแพร่ธรรมอย่างเงี้ยเกิดการพิว่าเป็นการให้ที่ดี อ, อันนี้หมอคณะรัชดาถูกเป็นผ้ให้อันนี้ถือว่าเป็นจุดจุดเผยแผ่ออกไปอาจารย์ก็เป็นผู้ให้พวกเราก็เป็นผู้ให้ให้คําถามมาจะได้ตอบต่ อ, อไปนี่ก็นําไปสู่ประเด็นของการอธิบายก่อให้เกิดความรู้และเป็นปัญญาที่มานั่งอธิบายอยู่นี้ไม่ใช่ว่า อาตมาเก่งนะอาตมาไม่ได้เก่งมีคนเก่งกว่าอาตมาเยอะแต่ท่านไม่ได้มานั่งอธิบายอย่างนี้คนที่เก่งคนที่รู้ละเอียดรู้ลึกรู้ที่เก่งกว่าเนี่ยด้านไม่ว่าจะเป็นด้านป ร, ริยัติธรรมหรือปฏิบัติธรรมมีมากท่านไม่ได้มานั่งอธิบายเพราะท่านขี้เกียจมานั่งอธิบายแบบนี้อาตมาก็าขี้เกียจแต่บอกตัวเองว่าอะไรภาระยังมีอยู่ คือรับธุระและภาระทางศาสนาในการเทศสรเนี่ยยังรับธุระอยู่ถือว่าเป็นภาระหรือเป็นธุระอันหนึ่งที่ต้องทำเพราะถ้าไม่พูดแง่มุมในจุดนี้ออกมามันก็ไม่เป็นที่รับรู้รับทราบต่อคนที่พอจะรับทราบหรือพอที่จะเปลี่ยนทัศนะให้เขามาอยู่ในร่องรอยของหลักพุทธศาสนาพอได้บ้างเนี่ย คนอื่นเก่งๆก็มีแต่เขาไม่มานั่งพูดอย่างนี้เพราะขี้เกียจพูดอาตมาขี้เกียจยังไงก็ทิ้งธุระไม่ได้วางภาระไม่ได้แต่ก็จะมีจุดวางอยู่เปย์ไปแล้วก็คงอยากให้พี่สูรรูปอื่นทําหน้าที่ต่ออย่างเงี้ยก็ฟังพี่สูรรูปอื่นไปแต่ตอนนี้มันยังวางไม่ได้ก็ทําหน้าที่ทําธุระอย่างนี้ไปเรื่อยๆยังรับภาระธุระขี้เกียจแค่ไหนก็ก็ยังต้องทำหนาวแค่ไหนอยากจะไปนอนก็ไม่ได้ก็มานั่งอยู่นี่ มีฮีเตอร์อยู่นี่ใส่กันอุ่นใส่กันอุ่นอย่างนี้มานั่งพูดอธิบายเทศอะไรเงี้ยบางคนก็บอกเอแล้วอาจารย์จะไปไหนธาตุขันไม่ค่อยอํานวยเท่าไหร่ในสุขภาพธาตุขันที่เป็นก็เลยจะต้องอาจจะพักสักระยะนี้พักธาตุขัน ระยะหนึ่งก็สักสิบปีอย่างเงี้ยแเนาะเอาเทศมาสิบปีพักก็ต้องพักสิบปีเพื่อชดเชยกันอย่างเงี้ยนี่นองั้นตายคาธรรมศาสนี่นไม่ไหวเลยบางคนก็ไม่รู้หรอกว่าเราเหนื่อยเหนื่อยแบบไหนเหนื่อยแบบแบบที่มันเป็นนี่ ม, นมันเหนื่อยแบบโบ่มันเหนือยมันลาจนอาศัยแต่การคมุม ข่มอ า, าพาธไว้ไม่กำเริบเท่า น, นั้นยังพอที่จะเรียกว่าชันทะาชันทะปาลบในชันทสมาธิวิเรียสมาธิกิตตสสมาธิวิมังสาสมาธิเรียกว่าเจ ร, ริญอิทธิบาตสี่ขึ้นขับไล่อ า, าพาธที่เป็นให้สงบอย่าเพิ่งกำเริบขึ้นม า, มากพอสามารถถ่ายทอดธรรมะ ก, กับคนที่พอจะเป็นประโยชน์ ในเขาในส่วนที่เขารับฟังเอาเฉพาะในส่วนที่รับฟังส่วนที่ไม่รับฟังก็เป็นเรื่องของเขาอันนี้ไม่เกี่ยวเป็นเรื่องของโลกกระทำเพราะคนที่อยู่ในโลกกระทำเนี่ยก็ต้องมีคนที่พอใจไม่พอใจเป็นเรื่องปกติคนลักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสืออันนี้เป็นสัจจ์จริงๆแน่นอนอย่าหวังว่าจะมีใครลัก อะไรพูดออกไปแล้วคนจะชอบทั้งหมดไม่มีนี่หรอกคนที่ไม่ชอบก็มากมายคนที่ชอบก็มีไม่มากแต่ก็มีแม้ไม่มากมันยังมีมีก็จะนั่งเทศให้กับคนที่มีใจชอบอย่างนี้สองคนสามคนสี่คนก็ตามในนี้ก็จะเทศอย่างนี้นะหรือที่ชมตามออนไลน์ก็จะเทศไปให้ได้ชมกันทางบ้าน ทำอะไรอยู่เปิดออนไลน์ขึ้นก็เปิดขึ้นมาให้คนอื่นได้ยินได้ฟังบนไปแล้วนี่ไมไ่เรื่องแล้วนั่ถ้าบนนนี่อะถามคำถามถา ม, มาดีกว่า <c oughs> น้ำขิงไม่ามาถอยู่เวลาจริงถันลงไปอุ่นเลยนั่นนี่เล็กน้อยที่ปก <c oughs> มหมดแล้วเลยหมดที่จะถามกันแล้ ว, ลวยเมื่อกี้โยมวองงนโาบอเดี๋ยวพระอาจารย์จะไลแล้ววัดอะไรอาจารย์โยมที่จะไปปลูกพระมหาโพธิ์นะะ่ะญาติโยมที่จะไปร่วมงานปลูก เขาเรียกว่าปลูกต้นพระศรีมหาโพธิก็เป็นวันพรุ่งนี้คือวันที่13มกราคมวัดสวนดอกตำบลบ้านแซลอำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายทุกแมนป้า น, นานกันบโยวันจะเอาไปไม่ต้องไปเอาของ อ๋อระนังจะไปเองเจ้าข่ากับโยมเลแจ้งมาเมื่อกี้นี้โอเคอนุมโมทนานี่คโยมปานังโยมแม่นางตอนแอรกก็ว่าจะไปรับเอากับโยมแม่นางนั่นแหละดีแล้วงั้นก็เราก็ไปตามปกติโยมมองกับปานังตัวจริงไปเล ย, เลยตัวจริงไปเลยเจ้าข่าเร <c oughs> <c oughs> ื่แสดงว่าโยมปานังไปคิดสรุปแล้วขอร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ใหม่เถอ ที่ทำกระซับนะคะว่าทางวัดไปออกกําลังกายก็ทราบทราบกันเลยมันจะเจ็บเขาทราบกันแล้วตอนแรก ว, ว, ว่าโยมป้านางจะไม่ไปตอนนี้ก็ไปก็ทราบก็ฟังอยู่ก็จะรู้อยูมูลนิสาเป็นตัวเป็นผู้กระจายค่าวก็จะทราบถึงกันเลไอ้ตัวแจ้งอะไรกันมากมายเท่าไหร่มากวิจิตรแย้งแจ้งก็แจ้งเข้าไปในกลุ่มว่ ไม่ในเพจนี้ก็ต่างหาเพจเพจนี้คือเพจกลุงลานโพลานธรรมต่างหา <c oughs> เพราะว่าเป็นองค์โพที่มาคู่กันกับ <c oughs> ที่ <c oughs> เราอัญเชิญไปที่ฐานบนทนปู่ดอยเบียงเกียงมาพร้อมกันแต่ของเราปู่ก่อน <c oughs> องค์นี้ปู่ก่อน ม, มีอะไรจะถามกันแล้วหรืแล้วจะเทศไปได้อย่างไงาไม่มีอะไรถามเอาพูดเรืองการให้ทานเอาวนกันอยู่เรื่องการให้ทานนี่แหละเพราะทานคือความยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่มากๆจะบอกว่าใหญ่แค่ไหนบอกไม่ได้กระทวทันจั ก, กรวานนี่แหละเทวาดาไปเป็นเทวได้ได้ก็พ่อให้ทานพรมไปเป็นพรมได้ก็พ่อการให้ทานก็อบอกเอ้าพรมต้องไปเป็นพรมด้วยสมาธิไม่ใช่เหรอก็ มีพื้นฐานของการให้มาก่อนถ้าไม่มีพื้นฐานของการให้เข้าไปทางสมาธิไม่ได้ก็มาจากการให้ถึงจะเป็นพรหมอย่างน้อยพรหมที่ให้การแผ่เมตตาอยู่เป็นประจําก็เป็นไปเป็นพรหมได้ผู้เจริญเมตตามพรหมมาวิหารไปเกิดเป็ น, นพรหมเป็นเครื่องอยู่ของพรหมไปเกิดเป็ น, นพรหมแบบนี้แผ่เมตตาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวง ก็เลเป็นพรมได้คนที่ปาลบจะให้ทานก็ปาลบแต่จะให้ทานพราะเขามีใจที่อยากจะให้ก็ปาลบแต่ว่าจะทำบุญนั้นทำบุญนี่ตั้งกองคุณบุ ญ, บญนั้นนั้นนี้ขึ้นมาก็ปาลบการให้ก็เป็นสิ่งที่ดีก็ได้นุนนมโมทนาในจิตที่มีการให้เป็นอัธยาศัยเป็นพื้นเพคนที่ปารบที่จะ ทำบาป ก, ก็หาช่องแต่จะทําบาปอั น, นก็เส้นทางของคนทําบาป ก, ก็เป็นธรมรมดาคนพอใจในทานคิดแต่จะให้ทานคนพอใจในบาป ก, ก็คิดแต่จะทําบาปมันก็เป็นอย่างนั้นเลยเป็นเป็นเรื่องปกติแต่จะทั้งทําให้ทานลและทําบาป ก, ก็ต้องอาศัยผลของการให้ เ, เป็นที่ตั้ง เพราะการให้นีมันนำนามาซึ่งผลต่างๆนาน า, น า, น า, ม, ามากไดมากมายให้ชีวิตของเราเป็นอยู่และเป็นไปได้และผ่านช่วงแห่งความยากลำบากช่วงแห่งความทุกข์ความเดือดร้อนต่างๆนานาไปได้ก็คือผลจากการให้การให้ทานนี่อธิบาย อ, อนิสงส์ที่สิ้นสุดไม่ได้ว่าจะสิ้นสุดที่ไหนจะพูดถึงความสิ้นสุดก็คือ จะส่งผลไปถึงพระนิพพานนั่นคือที่สิ้นสุดจริงๆพระนิพพานเป็นที่ดับทานทั้งปวงดับศีลทั้งปวงดับสมาธิทั้งปวงดับปัญญาทั้งปวงดับหดนิพพานบางคนก็มาถามอยู่นะว่าพระนิพพานมันดับไปหมดทุกอย่างดับศีลดับสมาธิดับปัญญาดับในกระทั่งความคิดการพูดการพังทั้งหมดดับหมด แล้วพระอรหันยังมีชีวิตอยู่ใช้อะไรพุดอะไรคิดใช้แล้วท่านพูดท่านคิดท่านทําอะไรได้ยังไงก็บันดับหมดทุกอย่างเนี่ยก็ท่านนิพพานแล้วดับหมดแล้วแม้ขันก็ดับคือคือเป็นความสงสัยที่ได้ถามเข้ามามีถามเข้ามาแล้วก็ตอบตอบส่วนตัวไปแล้วแล้วอธิบายส่วนตัวไปแล้วบางคนก็สงสัยว่าท่านอยู่ยังไงท่านอยู่เฉยเลยกายก็อยู่ไปเฉยไม่ได้คิด ไม่ได้ปูุงแต่งก็บอกผู้เข้าถึงนิพพานแล้วไร้าการปรุงแต่งเป็นไร้ความคิดไม่มีความคิดอัตอมาก็<ม>ก็งงเหมือนเขาไปดึงความสงสัยตัวนี้มาเป็นคําถามได้ยังไง<ม>ก็เท่ากับว่าเขายังไม่เข้าใจการดับนิพพานนินพพานที่เรียกว่าการดับมันดับยังไงก็ยังไม่เข้าใจจริงๆ เรื่องของการดับนี่มันเป็นเรื่องของความอาศจ ร, รย์มากอาศจ ร, รย์จนผู้เข้าดิพานยังอาศจ ร, รย์อยู่ว่าอนาุภาพของการดับมันดับได้ขนาดนี้เลยหรืดับแม้กระทั่งคุณน อ, อนิสงฆ์ห้องศีลคุณอนิสงฆ์ห้องสมาธิคุณอนิสงฆ์ห้องปัญญาดับแม้กระทั่งมรรคจิตที่รู้ดิพานนั้นยังดับเลยพอรู้ดิพานปุ๊บมรรคจิตก็ดับตัวมรรคเองนั่นแหละก็ดับผลเองก็ดับแล้วก็น้ำแล้วมันเหลืออะไร มันดับอย่างนั้นแล้วอยู่ยังไงอยู่แบบคนไม่มีความคิดอยู่แบบคนแบบจืดชืดเย็นชาไม่รับทราบทื่อๆอย่างนั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นที่ท่านดับทั้งหมดพระนิพพานที่เข้าไปถึงแล้วแล้วทําหน้าที่ในการดับระดับนั่คือเรียกว่าดับขันส่วนเหตุแห่งการสื่อต่อพพชาติการกระทําอะไรก็ตามจากขันห้าเนี่ยทั้งคิดทั้งพูดทั้งทํา ทั้งอะไรส ล, ลับหน้ที่ทําไปเนี่ยขันห้าในส่วนที่ยังไม่รู้นิพพานเนี่ยยังจิตที่ยังไม่รู้นิพพานเป็นขันส่วนเหตุทําอะไร istance, ลงไปก็นําสู่ภพสืบชาติไปทั้งหมดทําดีก็นส itu, สําส่วนพบชาติที่ดีทําไม่ดีก็นําไปส่วนพบชาติที่ไม่ดีเป็นส่วนเหตุส่วนเหตุนี้คือนําสมภพทรงชาติสืบภพสูบชาติต่อพบต่อชาติแต่ส่วนผลนั้นน่ะจะทําอะไรก็ตามไม่นําสื่อพบไม่นําสืบชาติไม่นํนา ต, นต่อพบไม่นําต่อชาติไม่เป็นไปในพบไม่เป็นไปในชาติ คำว่าไม่เป็นไปในชาติคือไม่เป็นไปในการเกิดชาติเนี่ยพู ด, ดง่ายๆแต่มันเป็นเป็นชาติชาติภาษาพูดติดมาไม่ใช่ชาติบ้านเมืองนละชาติคือการเกิดภาษาทางธรรมนี้มันก็ฟังต้องแยกแยะหน่อยมันเป็นขันส่วนผลของท่านที่เหลือของพระอาหารหันเนี่ยคิดอะไรก็ตามพูดอะไรก็ตามทําอะไรก็ตามไม่นําไปสู่ภพสู่ชาติเพราะ มีนิพพานเป็นตัวดับหมดทั้งปวงไม่ก่อภพก่อชาติไม่มีกระแสแห่งการกอ่อมีแต่การก่อตัวขึ้นมาขนาดหนึ่งแล้วก็ดับไปขนาดหนึ่งแล้วก็ดับไปขนาดหนึ่งแล้วก็ดับไปเท่านั้นหมดสิน้นแค่นั้นเองไม่มีเหลือมันอัศจรรย์อยู่ตรงนี้แต่กับบุรุชนนี้หรือโสดาบันสกท า, าคานาคามีมันยังเห็นสัญญาณการสื่อต่อไปในภพอยู่แม้จะเห็นการดับใน พานาคามีแม้จะเห็นการดับอยู่ในกรมธาตุแต่มันก็ยังเห็นตัวสืบตอบไปในสุทาวาตพรมก็ยังไม่พ้นไงยังมีถือว่าพ้นพ้นก็พ้นจากกรามธาตุคือเทวดากับสวรรค์พ้นกับพมในส่วนของปุถุชนก็พ้นแต่ยังเหลือสุทาวาตแม้จะเป็นผู้ไม่กลับมาเป็นอนาคามีอาณนาะแปลว่าไม่อาคามีแปลว่ากลับมากลับมาสู่โลกนี้ อาณาอาณาชาไม่กลับมาสู่โลกนี้สักกะชาคาสักกะสักกังแปลว่าหนึ่งครัง้งครั้งเดียวคราวเดียวกับมาโลกนี้คราวเดียวชาเดียวครั้งเดียวคําว่าโลกนี้อย่าไปสงสัยนะโลกนี้คือโลกนี้จริงๆโสดาบันก็เหมือนกันกลับมาสู่โลกนี้อีกเจ็ดคือเจ็ดคือโลกนี้บางคนก็บอกเอ้าพระอะไรนิสาขาพระโสดาบันกับอาณาถาวิติกาเศรษธี อนาถาบิดากานี่เป็นอนาคามีก่อนแล้วจึงตายจิตเข้าถึงอนาคามีก่อนแล้วค่อยล่สังขารแต่นางวิสาขานี้ยังโสดาบันอยู่นะคุอบอกเอานางวิสาขาไปเกิดอยู่บนเทวโลกก็ไม่ได้นับเจ็ดชาตินี่ถ้าบอกว่าโลกนี้โลกเดียวก็ไม่ได้นับเจ็ดนี่อันนั้นเป็นความปรารถนาที่พิเศษของนางอ่าแล้วที่พระองค์ทรตัดไว้เจ็ดชาติจะไม่ผิดไปเลย ไม่ผิดเพราะการเกิดบนเทวโลกก็นับชาติเหมือนกันนับชาติเหมือนกันเป็นการเกิดเหมือนกันแล้ว่โวบอกว่ามาสู่โลกนี้หละคเาว่ามาสู่โลกนี้ก็หมายถึงว่าการการที่บุคคลเข้าถึงความเป็นโสดาบันที่จะกลับมาสู่โลกนี้เน่พูดแบบโสดาบันที่มี on. อ, อินทรีย์อ่อนอ่อนที่สุดนี่คือเจ็ นะต้องกลับมาโลกนี้แน่นอนกลางๆางก็คือมากลับมาโลกนี้สาแล้วไปปานิพันธ์อยู่บนเทวโลกต่อแก่ก้าที่สุดคือกลับมาสู่โลกนี้ครั้งเดียวแล้วปรนิพันธ์ต่ออยู่บนเทวโลกแต่นามวิสาขาแกอินทรีย์แก่ก้าที่ไปบังเกิดอยู่บนเทวโลกแล้วต่อไป น, นู่นเลยแล้วก็ไปดับอยู่บนอนาคามีอาการที่ถานภูมิ เนความพิเศษของนางคนละอย่างกันกันกบพวงพูดแบบห ย, ยาบหยาไปก่อนนะโสดา บ, บันแบบหยาบหยาเอาสร บ, บันหยาบนี้เลยเอานี้สิทำไมจะไม่มีายาศัยความหยาบความปานกลางความละเอียดแตกต่างกันยาบเรียกว่าสตักขตุงกลางกก็กเรียกว่าโ ก, โกรังโกละละเอียดเขเรียกว่าเอกพีชีมาสู่โลกนี้โลกนี้คือโลกมนุษย์เพราะพระเจ้าอยู่โลกมนุษย์ อีทะโลเกจากโลกนี้แต่ในโลกนี้กลับมาสู่โลกนี้พง์ประทับอยู่บนโลกแล้วพูดอยู่บนโลกก็ต้องโลกนี้จะเป็นโลกอื่นไม่ได้จะเป็นเทวโลกได้ไม่ได้เทวโลกก็ได้แต่ว่าความหมายแบบที่พงศ์สมประสงค์ก็คือการมาเกิดอีกแล้วเกิดแล้วเกิดอีกเยเจ็ดครั้งเนี่ย หมายถึงพระโสดาบันชั้นหยากชินอินทรีย์ที่ยังไม่แก่กล้ามากหมายถึงว่าพอใจแล้วว่าตนเองพ้นจากอบายภูมิแล้วกูเหนื่อยแล้วกูไม่ทําต่อแล้วที่เกลียดแล้วเนี่ยที่เป็นพระโสดาบันเอล้วเป็นโสดาบันที่เรี้ยวเป็นผู้ประมาทอย่างแรงกล้าเนี่ยจะประมาทเขาเรียกว่าประมาทอย่างแรงกล้านงเรียกว่าที่เกียดแล้วเนี่ยทอดทุลัแล้วเหนื่อยมาเยอะแล้วพ้นจากอบายภูมิเนี่ยจะเป็นจะเป็นจะตายก็ตายกูก้มไม่สนแล้วเนี่ย ที่เกียรติปฏิบัติมีไหมมีสิประเภทที่เกียรติปฏิบัติอินทรีย์อ่อนอะ่ะแก่กล้าแต่บางจําพวกไม่พอใจอยู่เพียงแค่สวดับบันจะเอาสกท า, าคามีให้ได้จะเอาอะนาคาร์มีให้ได้เผียันน้อยพี่จอาหัน์ให้ได้เป็นยังไงว่าอะหันอยากจะรู้นักว่าละหันเป็นยังไงเผียันอยู่นั่นแหละเป็นก็เป็ น, ป น, ปนก็ตายก็ตายก็จะเอาละหันให้ได้อย่างเงี้ยก็มีะอินทรีย์แก่กล้ามากแล้วก็บรรมีแต่ปางก่อนหนุนม า, มากดันกันไปพอพอ เขาเรยกว่าเพียงพอต่อการที่จะไปได้อย่างนั้นก็ไปได้แต่ถ้าไม่เพียงพอที่จะไปได้บุญน้อยปัจจัยคือการสร้างสมแม้จะมากแค่ไหนก็ตามแต่บุญหนุนน้อยก็ไปไม่ได้มีบุญมากแต่ปัจจัยคือการกระทําน้อยก็ไปไม่ได้บุญมากปัจจัยของการกระทามากพร้อมกันถึงได้แน่นอน แต่พระเจ้าก็บอกว่าพระโสดาบันผู้ประมาทอย่างแรงกล้ายังไงก็ตามก็ไม่ถือเอาพบที่แปดไม่มีพบที่แปดแน่นอนมีเจ็ดพบเท่านั้นถ้าะะกลรมาเกิดจะอยู่ในฐานะที่ดีที่ดีแน่นอนกลับมาเกิดจะอยู่ในฐานะที่ดีไม่อยู่ในฐานะที่ตกต่าไม่อยู่ในฐานะของคนที่ทุกข์ยากลำบากจะอยู่ในฐานะที่เขาจะอำนวย ให้ปฏิบัติและภาคเปลี่ยนสืบต่อจากคุณธรรมของเดิมเข้าไปอีกเรื่อยๆในฐานะอย่างนั้นพ่อแม่ก็อุ้มไปฟังเทศตั้งแต่เด็กหรือไปฟังเทศตั้งแต่อยู่ในท้องนั่นแหละไม่รู้เรื่องหรอกดินกระเดากระเดาอยู่ในท้องพ่อแม่ฟังกระโสมผ่านความรู้เข้าไปถึงลูกสายทางสายเลือดเติบโตมาพ่อแม่ก็พามาวัดโตขึ้นมาอีกก็พามาวัดโตขึ้นมาแล้วหนีวัด <c oughs> คือ โตขึ้นมาหนีวัดนี่อยากจะเข้าวัดประเภีเนี่ยเอ้าทำไมไม่เข้าเข้าพับเข้าบาก่อนพอไปเจอทุกอยู่ที่นู่นปึง่งนึกถึงวัดมาโอ้เดิมได้สติอย่างเงี้ยพอเริ่มได้สติมาก็ภาคเพียรต่อเบื่อโลกแล้วอะไรพระเพนี่ยอันนี้คือโซดาบันแบบขี้เกียจขี้เกียจอ่ะโซดาบันแบบประมาทนี้ระเพียเนี่ยแบบสุขโสดาบันประมาทมี่ ยังชอบความวรื่นเริงบันเทิงความพอใจก็มีแต่บางคนเล็งดูแล้วก่อนจะมาเกิดสวดิบัณ น, นะตัวเองไปเกิดอยู่บนเทวโลกนะเล็งดูแล้วว่าถ้าเราไปเกิดตระกูลนี้ตระกูลใหญ่ไงตระกูลใหญ่ตระกูลรวยพ่อแม่จะห่วงแห็ ไม่ปล่อยให้เราออกปฏิบัติภาวนาไม่อ่ะเราจะไปเกิดตระกูลอันนี้คือเป็นอัธยาศัยที่จะเลือกจะไปเกิดตระกูลยากจนพ่อแม่จะได้เอาไปส่งไว้ที่วัดจะได้เรียนทำมาอย่างนี้ก็มีพระโสดาบันประเภทนี้นะว้าบโรมายุติที่ในโลกมนุษย์ไปเกิดตระกูลท้องไร่ท้องนาเนีนน่ะแต่บุญกุศลมาที่หนุนจิตเนี่เยอะมากก็มีพออย่างว่าอะไรีมนนไหมคำนวณไว้พอแม่ก็บอกมึง ไปอยู่วัดเธอะกูไม่มีเงินจะเลี้ยงอะไรเลยไปอยู่กับหลวงพ่อหลวงตาด้วยหลว ง, งพ่อหลวงตาก็ออกมาอบรมสั่งสอนสอนไปก็ซึมไปซึมไปของเก่าที่เคยสะสมมาประกบกับของใหม่ที่ได้เรียนเข้าไปปึ้งเละนานเลยทีนี้นู้นแหละเบางทีก็สิ้นอาสาบกิเลิในภกชานั้นก็ได้แม้จะถูกกาหนดไว้เจ็ดภพก็จริงใช่ไหมล่ะแต่เอาไปเอาเกินไปนั่นก็ได้เอาสิ้นอาสาะัในภพนั้นก็ได้ หรือบางทีคำนวณดูไม่อยากจะไปลำบากเว้ยเอาตะกูลเลยรวยแต่ทำยังไงถึงจะสามารถออกไปแสวงหาทําได้หาช่องหาทางหาโอกาสหาตะ ก, กูลที่เหมาะที่ควรไงเท็คดูก่อนก่อนที่จะลงจุตไงเท็ดดูเรียบร้อยเอาตะกูลนี้แล้ววะไม่อยากไปลลำบากรวยมีอะไรเพียบพร้อมเล็งดูปับๆๆป๊บจุตติปั๊บมันเกิดขึ้นปั๊บ พาไปบินาบาทหน้าบ้านวันที่ตัวเองไปเกิดพ่อแม่เอามาใส่บาตรพอดีเนี่ยมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรเป็นเป็นเรื่องประจวบเหมาหรอกมันเป็นเรื่องและอธิษฐานของเขาไงบางทีพ่อแม่ฝันฝันอะไรแปลกๆอยากจะทําบุญยังไว้พอดีกับพาขับไปบิณาบาตบ้านนั้นก็มีของพอดีก็ใส่บาตรแถมแล้วเป็นอนุภาพของลูกในท้องก็มีแม่บางคนเป็นขอทาน ลูกไม่เคยทําบุญมาเลยแต่ปางก่อนมาเกิดอยู่ในท้องปกติขอทานได้โดยตอนที่ยังไม่มีลูกอยู่ในท้องนะขอทานพอได้อยู่แต่ละวันอิ่มๆได้อิ่มเมนในแต่ละวันแต่พอไอ้ลูกไม่เคยให้ทานมาก่อนแต่ปางก่อนนี่นะขออย่างไงก็ไม่ได้เอ๊ะเป็นอะไรวะแต่แต่กูตั้งท้องไอ้นี่มานี่ขออะไรก็แม่มันเป็นยังไงกันแน่วะนี่อย่างเงี้ยก็มีนะ่ะมาเพียร น, นั้นแหะอนุภาพกรรมท้องเด็กในท้องทําให้แม่ทุก กรรมครอบงำไปด้วยเกี่ยวโยงกันถึงกันแสดงว่าการที่เราจะมาเกิดนี่คือเราเลือกทุกๆคนนี่เราเลือกมาแล้วไม่เลือกไม่ได้แล้วแต่กรรมจะดึงไปแต่โสดาผัสวสดาบั น, นผู้ผู้เอาเลือกเรียนานาวิสาขา ย, ยังเลือกที่จะขอบรริพันธ์บนเทวโลกได้เลยพระอะไรพระเจ้าพี่พี่สาร จริงๆเขาให้ไปอยู่ชั้นนู้นน่ะปัลิณีมิตรสวัสดีนู้นพระเจ้าพิสารบอกไม่เอาขอเรื่องอยู่จาตุ้มทำไมก็ญาติอยู่จาตุ้มเยอะญาติพี่น้องญาติเก่าๆทั้งนั้นยังอยู่ใกล้ญาติ mm. ก็อยู่จาตุ้มทุกตอนนี้ก็อยู่จาตุ้มป mm. ัจจุบันนี้ก็ยังอยู่พระเจ้าพิพิสารยังไม่ไปไหนโสตะบันนั่นน่ะ เลือกได้ถ้าเป็นโสดาบันนะ<ม>เลือกได้ปุถุชนไม่ได้แ ล, แ, รรแล้วแต่กรรมแล้วแต่เวรแล้วก็อะไรจะดึงไปเกี่ยวโยงกับพ่อแม่คนไหนมีวิบากกรรมอะไรกันมาดีไม่ดีเคยเป็นในายเวรกันมาก่อนไปเกิดใช้นี่กันไปเกิดทําลายกันก็มีลูกบางคนเกิดมามทําลายพ่อแม่ก็มีเคยเป็นนายเวรกันมาก่อนเอาจัริงดึงพ่อแม่ตกกรรมดึงพ่อแม่สวยพาพ่อแม่สวยก็มีอย่างเงี้ย บางคนก็พาพ่อแม่จเจริญก็มีคนมีบุญเยอะบางคนก็จะไปเกิดคํานวณดูว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เรามาแต่ปางก่อนคํานวณดูป้าอ๋อคนนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราเฮ้ยทําไมเกิดพ่อแม่เราอยู่ในตระกูลลาบากจังวะอยากจะอนุเคราะห์พ่อแม่บุญตัวเองยากมากไงก็ลงไปเกิดป้าพอไปเกิดปุ๊บดั น, นพ่อแม่ซื้อหวยถูกลงวันที่หนึ่งยิงกันในจังหวัดที่ลูกเกิดก็มี เป็นอย่างนั้นก็มีนะีน่ยคนมีบุญเนะี่ยคนมีบาปก็พาพ่อแม่ชิบหายไว้ปวดมาเหมือนกันนะี่อาตมามาเกิดนี้พ่อแม่ไม่ได้ดีขึ้นเลยนะ <c oughs> มีบาปมาแต่ปางก่อนว่าไงเราบาปบาปมาเยอะเหมือนกันนี่แต่จารมานี่ไม่ได้มีบุญบุญนี่มาสร้างเอาทีหลังเนี่ยมาสร้างเอามาพลาดเพี้ยนเอาตอนที่เกิดแล้วนะนี่บุญนี่พ่อแม่ก็สมไปวัดไม่ให้บวชแต่ตอนนั้นก็มอยากจะบวชเอาไปบวช เราก็ตั้งใจอยากจะเรียนเรียนแบบชาวบ้านคาราวาธรรมดานี่เลยจะไปต่อพ่อแม่แม่พ่อก็บอกเอาไปบวชเลยได้ไปบวชบวชหนุ่มจีก็เลยซึมเข้ามาซึมเข้ามาซึมเข้ามาบวชหนุ่มจีนยอยู่ในกรุงเทพมันแหล่งมัวสูมันเยอะอะไรมันก็เกลเอได้หมดยั้นก็ส่งเข้าไปบวช พอเขาไปบวชโอ้ยแม่เราไม่รักเราพ่อเราไม่รักเราไอเราออกจากพานนี้ได้บางกับเด็กถี่คิดไปสารพัดอะไรอารมณ์น้อยใจก็เข้ามาก็ที่นี้อยู่ไปก็ซึมซับธรร ม, มะไปเรื่อยซึมซับเรียนจากการเรียนไงซึมซับไปเรื่อยอ่านเรื่องข อ, องอพระพุทธเจ้าอ่านพ้องเรื่องไปอ่านพ้องเรื่องมาซึมซับยิ่งแปบรบาลีจดจ่อไปแต่ละตัวแต่ละตัวแต่ละตัวอันว่าภาษาสร ะ, สาาาสะเสด็จไปแล้วดูลเรื่องเราต่างๆเริ่มรู้สึกอยู่ในเหตุการณ์นั่นแหละ บางทีพุทธเจ้าไปตัดแสดงธรรมที่ไหนหรือโตแย้งปัญหาธรรมกับใครแปลไปในรุ่นไปด้วยแนละ้วมันจะออกมาในรูปแบบไหนนะแปลบาลีไปแปลบาลีไปอ่านไปอ่านไปโอ้โหเห็นทราบปัญญาของพุทธเจ้าทําไมพุทธเจ้าปัญญายิ่งใหญ่ขนาดนี้นึกน้อมไปเริ่มเริ่มซึมซับไปเรื่อยเรืื่ยเรืเรเรเร่พอเรียนจบแล้วแล้วละทีนี้ไอไอจิตไอจิตที่ทราบซึงมันรุ่นไปไหนนะ่ะ จบหนังสือก็มาแล้วก็ไม่สาบซึ้งแล้วาศาสนาพุดก็อยู่แค่นั้นแหละตำราการบรรลุธรรมก็มีแค่อยู่ในตำรามาปฏิบัติจริงไม่ได้หรอกยุคนี้สมัยนี้มองไปโน่นมองไปนี่จะทําความดีมันกลายเป็นเรื่องของความผิดแปลกในสังคมกลายเป็นความเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่น่าละอายจะทําดีแต่ไอ้ทำมิดีนี่สังคมเชิดหน้าชูตากันใช่ไหมหล่ะงานเลี้ยงแต่ละทีชนแก้วเหล่ากัน เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปของโลกว่าเป็นสิ่งที่ดีี้ถ้าเราไม่ทําตามมันจะยังไงแต่ถ้าทําตามพ่อแม่ก็บอกไม่ดีเอาอย่างไงกันแน่สังคมนี้กําลังสอนอะไรเรากําลังบอกอะไรเราจะทําตัวยังไงเี้พราะสืงออกมาใหม่ๆมันก็เหมืรู้อีดีในกระโปกเท่าไหรไ่เคยเรียนมาก็เคยเรียนมากอา็อยู่ไปอยู่ไปจนรู้เรื่องของโลก ในสักระยะหนึ่ง <c oughs> อาศัยแม่นั่งฟังวิดายุธรรมะเยอะสงสัยแม่มีความทุกข์เยอะตอนนั้นฟังแต่ธรรมะไงเราก็เย็บผ้าไปแม่ก็ฟังเปิดบิทยุฟังธรรมะฟังเทศมันก็เริ่มฟังอีกมันก็เริ่มผสมผสานกันแล้วจากที่เรียนมากับที่เขาเทศออกมาเราเริ่มเอามาเทีย บ, บแล้วอ้นี้เทศออกมาตรงหรือเปล่าวะไอันนี้เทศออกมาถูกหรือเปล่าวะอย่างเงี้ยถ้าองค์นี้เทศออกมาตรงกับที่เราเรียนมาหรือเปล่าวะคือมันเริ่มเข้ามาไงเรื่มเข้ามา ก็ฟังไปฟังมาก็เลยเกิดคำถามขึ้นมาในใจนเรานี่เกิดมาทําไมวะเนี้ยเกิดมาทําไมเกิดมาทําไมอยู่นั่นัั้้งนนแต่ก็ไม่ได้สาบซึ้งอะไรมากกับํารรมะจนได้มาบวชอีกครั้งหนึง่งก็เริ่มตั้งตั้งสติเพื่อตั้งปัญญาขึ้นมาว่จาจะประพฤตินตนให้เหมาะ ก, กับความเป็นเพศพระพิสูจนนี้ก็เลยบังคับตัวเองให้อยู่ในกรอบทํากรอบวินยัย ตั้งกรรมาฐานผ่านเปลี่ยนจนเม า, เอาโอ้มันยากมากเลยนะมันสวนทางกับความเป็นจิตที่เรามันคุกอยู่กับทางโลกมาเนี่ยแล้วมันไปยู่ๆก็ไปสู่เพศสมณะอย่างเงี้ยมันยังขนองคึกขนองแบบแบบโลกแบบทั่วๆไปอยู่นะอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยยี่สิบหกครับหเนี่ยเราบวชตอนยี่สิบสี่ได้ยีิบสี่นี่บวชเดินหน้าเขา้า นี่เล้วไม่ห way, นนันกลับเลยจนบัดนี้นี่ยี่สิบหกแล้วเวลาล่วงเลยไปเยอะแล้วมันยังไม่อิ่มเลอะกับโลกอ่ะยังไม่อิ่มเนาะอย่าอย่เอาให้มันคักกว่านี้อยู่เนาะก็อย่างว่าเนะก็เข้าใจอยู่เพราะว่าจิตอาตมาอาตมารู้เข้ามาปั๊บนี่รู้เลยว่ามันมีแต่เรื่องของโลกทั้งนั้นในจิตน่ะแต่ด้วยความเป็นเพศ เมันทาให้เรารู้สึกสํานึกที่จะต้องทําตัวเองให้เหมาะให้ควรกการฝึกตนเเริ่มมาเรื่อยๆแต่กว่าจะไปไถ่ถอนความคะนองความนิสัยในจิตออกไปได้โอ้ยอยากจะสึกเป็นพันครั้งนี่ธรรมดาโลกกระแสโลกนี่มันไม่ปล่อยให้เราหลุดออกจากโลกง่ายๆเกิดมากับมันแล้วจะปล่อยให้หนีออกจากโลกเพราะฉะนั้น ดวงจิตที่จะพ้นออกไปจากโลกแต่และดวงนี่ต้องแรงดึงดูดของโลกอะ่ะมันมันสูงมากเนี่ยยานอวกาศจะออกไปนอกโลกได้ต้องใช้พลังงานเท่าไหร่ถึงจะหลุดออกจากวงโคจรแรงแรงดึงดูดนี้ได้ขนาดนั้นนะกระแสแห่งจิต ท, ที่จะเกิดยานรู้ตามความเป็นจริงต้องแก่กล้าต้องเก่งจริงๆนะดวงจิตแต่ละดวงจะหลุดออกไปจากวงจรของวัตถุเนี่ยต้องเก่งมากๆเลยหลายชั้ น, น่ หลายชั้นมากต้องปล่อยต้องวางต้องเบื้องต้นก็เป็นตัวยานออกไปใช่ไหมเต็มเต็มรูปเนี่ยพอไปถึงจังหวะนึง่งเขค่อยปล่อยหลุดปล่อยหลุดปล่อยหลุดปล่อยหลุดปเหลือพี่อันอันอันเล็น้อยไปถึงนู่นอ่ะไปไปอ๋อที่นั่นเละใช่นี้เหมือนกนรารการภาวนาเหมือนกัน <te am> <te am> ต้องวางหลุดออกไปเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นจนจนหมดจนไม่มีแรงดึงดูดของโลกใดๆดึงดูดได้อยู่นี่ โผจอไปตามอิสระไนดะ้ mm hmm. เป็นอย่างนั้นทิงน้งงานบางนี้นหมดพอพอมันถ้ายังหนักอยู่มันก็ไปไม่ได้่ยละตัวหนักก็คือตัวดึงดึงไว้กับแรงแรงดึงดูดของโลกมันต้องทิ้งต้องปล่อยเพื่อให้มันเบาขึ้นตัวนั้นทํางานเขาก็สามารถทําได้นะทางทางวัตถูกใช่ไหมออกไปนอกโลกได้อันนี้เราจะออกนอกจากวัตถุไม่ธรรมาดา ความจะหลุดออกไปได้จะล้านความเห็นผิดแต่ล้านจะหลุดไปได้แต่ล้านเห็งแม่ยากกินแสงเข็ญต้องบอกว่าอยากเยนแสงเข็ญถ้าไม่บอกว่าอยากเย็นแสงเข็ญบอกว่าง่ายๆน่ะมันไม่ง่ายไงเพราะว่าปฏิบัติมาไม่ได้ผ่านความง่ายมาแล้วใครที่บอกว่าผ่านความง่ายหรือว่าง่ายการปฏิบัตินี้ง่ายมากมันมันชับจะไม่แน่ใจคนที่ว่าง่ายนะง่ายมันง่ายแบบไ ห, ไหนวะ เอออันง่ายแบบครั้งพุทธกาลอันที่เขาฟังเทศพุทธเจ้าแล้วบรรลุนั่นนั่นก็ไม่ใช่ไม่ใช่ง่ายแบบง่ายง่ายอะไรแบบนั้นนะคือผ่านยากมาทั้งนั้นถึงพูดว่าสามารถหลุดพ้นได้แต่ละแต่ละลำดับเนี่ยพระเดีเจ้าจะบังเกิดขึ้นแต่ครั้งพุธกาลฟังเทศแลบรรลุฟังเทศแบรรลุอันง่ายแบบนั้นนะคือผ่านยากมาจนไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ถึงจะยาก พยศาศักด์ุลบุตรก็โอ้โหวุ่นวายในจิตให้แม่ลับบีบคันเจอทุกที่นี่วุ่นวายเนาะที่นี่ขัดข้องเนาะที่นี่วุ่นวายที่นี่ขัดข้องโว้ยวุ่นวายจังเว้ขัดข้องโอ้ยมันที่ไหนก็ไม่หาความสุขก็ไม่ได้เดินออกมาแบบเพ้อเพามาเลยนะพั่มเพ้อออกมาเจอพระพุทธเจ้าพองค์บอกว่าที่นี่มีวุ่นวายที่นี่ไม่ขัดข้องเธอจงมาที่นี่เราจะแสดงธรรมให้ฟังพอพยศาพยศักดิได้ยินแค่นั้นแหละมันมีที่ไหนว่าไม่วุ่นวายมีที่ไหนว่าไม่ขัดข้อง สมณะนี้นี่พูดพูดถึงความไม่ไม่วุ่นวายไม่ขัดข้องหรือว่าสมณะนี้รู้ธรรมอันเป็นที่ดับความวุ่นวายและดับความขัดข้องได้แล้วเขามาถึงก็ฟังเทศพุทธเจ้าพุทเจ้าก็เทศให้ฟังก็ดับที่นี้บรรลุธรรมเป็นอรหันต์เไม่ใช่เป็นโสดบาบันก่อนแล้วก็เทศให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ออกมาตามหาไงระดับคนที่เจอความทุกข์แบบเพอออกมาเนี่ยทุกจนเพอ บรรู้ทําได้แต่คนทุกวันนี้ทุกจนเพ้อไปกินยาจิตเวทเพราะอะไรเพราะไม่สามารถเข้าหาธรรมะทําไมไม่เข้าหาธรรมะศาสนาไม่แสดงธรรมตอบสนองให้เขาได้เข้าใจหลักธรรมที่ถูกต้องก็เลยไปพึ่งอาศัยยาจิตเวทเนี่ยศาสนามันเลยเป็นอย่างนี้แหละทุกวันนี้ คนเป็นโรคจิตหรือเพ้อออกมาเนี่ยฟังเทศเนี่ยหายไม่ต้องกินยานะอาตมาเนะนําไปหลายคนแล้วไปฟังเทศเยอะๆแต่คนไม่เชื่อบางคนไม่เชื่อบางคนไม่เข้าใจมันต้องทนมันทุกข์มากนะถึงเป็นขนาดนั้นน่ะใช่ไหมล่ะถ้าคนไม่ทุกข์ไม่ขนาดนั้นนะโอ๊คแต่คนที่ทุกข์มากๆนั่นแหละถ้าได้ฟ <from you. S 1> be ังทำบรรลุทำได้หนีไม่ดีไอ้คนที่เป็นจิตตเวทบางทีมีอุปนิสัยการบรรลุทำด้วยก็อย่างว่านะ ที่ก็น้องเนี่ยนำมากู้หัวเนี่ยทีนี้มาฟันกูบาประเทศเรื่องอริยสัจเขาไม่รู้เรื่องอไปที่ไหนเขาก็ได้ยินแต่มัดมีองค์พรอริยสัจเขาไม่รู้เรื่องไปที่ไหนก็ไม่หมกฉลิดเขาทีนี้กูบาปเทศเนี่ยผมผมรู้ว่าท่านพูดดีแต่ผมไม่เข้าใจทีนี้เขาก็เขาก็รีบไปเขาก็กลับแย่มก็าันมา ถ้าคุณมีกรรมฐานอะไรเขาก็ไม่มีกรรามฐารอะไรโยมก็ทำภาษีทำ อ, อันนี้แหละผมอยากได้โยมก็เอาชี้หนึ่งแผ่นก็กลับไปที่แล้วจะนอนสามคืนผมเอาอันนี้แหละผมจะไปทําก่อนแค่อันนี้ผมจะกลับมาใหม่เพราะว่าเขาพูดไงใช่ไม่ได้เกี่ยวกับครอบครัวนแต่จิตเขาพูดเองมาตอนไหนนานนี้โอมาตอนไหนนะคุณน้องพันที่ยี่สิบสี่ ที่สามที่สี่ผ้จาจะไม่อ๋อไปดีซาตอนนั้นใครอยู่กูบาร์องอ๋อที่นี่ท่านพูดดีแต่ผมผมก็เขาเขาไม่มีฐานอืมอฐานไม่มีไปที่ไหนเขาภาพเขาพูดแบบนี้แต่เขาไม่รู้เรื่องยากขาูมอมอย่งนหบูญาออืมที่นีก็เอากรรมฐานเนาะผมพอใจแล้วผมจะเอาเนี้ยเป็นเกิดปีเดียวกับพวกโยมละ อีขันยอ ม, ยมจะโทรไปถามว่าเป็นยังไงบ้างเรียมก็บอกว่าเนี่ต้องทําอะไรท่องไปเลยเน่ต้องบังบัดได้ในผมก็ไม่ยากได้อย่างนี้ในผมจะท่องไปนี่แหละเพราะเขาเขาเป็นเห ม, มืมนอนยอมจ้ะค่ะมีความทุกข์ทางจิตทุกข์ทางจิตเขากินเวทนาอย่างเดียวเขาเติบมาเขาก็รู้แล้ว<ม>ทั้งทั้งที่เขกไม่รู้ข้อบครัวลูกเมียมีหมดเมียถามว่าเมีรับลูกหรือรับดู ความทุกข์นี่ไม่ใช่ธรรมดามันซุ้มอยู่ในอกนี่ด้คิอยู่ในนี้เลยมันไม่ใช่มันบอกใครได้ที่ไหนเรอกผู้ได้เจ้ารู้นะเจ้ารู้อริยสัยโปงพอรู้ช่องป๊อกโป่งกับโป๊ะใสตรงนั้นหนีทุกข์ตรงนั้นแบบปัญญาเกิดเลยนีทุกข์นีทุกข์นีทุกข์ไปเรื่อยๆอ๋อนี่คือตัวทุกข์ทีเนี้ยมันจะเข้าใจนี่คือตัวทุกข์ก็ดูไปดูไปดูไปไอเนี้ยแหละคือทุกข์นี่แหละเขาเรียกว่าทุกข์นี่คือความทุกข์นี่คือสิ่งที่ทุกข์นี่คืออาาากกรแห่งควมทุ นี่คือเรื่องราวของความทุกข์นี่คือสิ่งที่มันเกิดจากเรื่องราวต่างๆไปหาสมุทัยเลยทีนี้ใช่ไหมสมุทัยมาจากไหนที่ก่อให้เกิดทุกข์เอาทำเรื่องนั้นเรื่องนี้สะสมเพราะการเกิดมาอย่างนี้เพราะใชความอย่างนี้เพราะความไม่รู้อย่างนี้มันก็นไห่ไปทําไงต้องยัดับกําหนดรู้เข้าไปอีกมันก็เนี่พูดให้เจ้าแสดงคําอย่างนี้ยเขาเรียกว่าธรรมเดสิกาธรรมอะไรอุด บุดเดสิกเพลงใมทำมุกทำมุกสิกะธรรมเนี่จำไม่ะทำที่พระเจ้าทรงยกขึ้นมาแสดงเป็นพิเศษที่ที่ยกบ่อยที่สุดคือเนี่ยอริยสัจ ส, สียกแสดงออกมาเป็นข้อพิเศษต่างหากตามวัธยาศัยนะคือพูดได้งว่าพระเจ้าจะเอาคนเนี่ยเป็นเป็นผู้บรรลุธรรมเลยนะคงจะแสดงธรรมอื่นๆก่อนปูจิต ไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใส่อริยสีเข้าไปโพตัวนั้นได้สุดาบันนี่คือความฉลาดของพุทธองค์เป็นพุทธปัญญากขเขาเรียกอะไรอย่ยเขาเรียกอยังไงเ่มมาฮะธรรมุกสิกะธรรมอะไรนะธรรมุกสิกะเทสนาน มั่วมันกันแหละอตาตมาจำจำ ผ, ผิดผิดถูกูเทศนาที่แสดงเป็นกรณีพิเศษประมาณเนี้ยประส่บมหาลักษณ์สมสามบอกสามเรียนสีสอบไม่ได้หรือไม่ได้สอบสอบสอบไม่ทัน นั่นมันจะเที่ยงแล้วนั่นและพอละมั่งวันนี้ได้สาระไหมพูดออกไปนี่ได้สาระหรือยังถ้าได้สาระอยู่ก็พอสมควรแก่เวลานขอให้มีความสุขความเจริญทุกมคึกค